เอาน่ายาซีเรียกเรื่องชาวนากัดแตงกวาชาวนาคนหนึ่งเข้าไปขโมยแตงกวาในสวนผัก ฉันจะแบกแตงกวาทงนี้ไปเขาคิดเอาไปขายเมื่อได้เงินแล้วจะซื้อแม่ไก่แม่ไก่จะออกไข่แล้วฟักไข่ออกมาเป็นลูกไก่ฉันจะเลี้ยงลูกไก่จนโตขึ้นจากนั้นจะขายเอาเงินมาซื้อหมูพ่อหมูโตก็ขายเอาเงินไปซื้อม้าตัวเมียซึ่งจะให้ลูกม้าแก่ฉันฉันจะเลี้ยงลูกมา้า พอลูกมา้าโตเต็มที่ก็จะเอาไปขายเมื่อได้เงินจะเอามาซื้อบ้านและสวนฉันจะปลูกแตงกวานในสวนของฉันและจะไม่ยอมให้ใครขโมยได้ฉันจะระวังดูแลฉันจะจ้างคนยามที่เข้มแข็งฉันจะคอยไปที่สวนตลอดเวลาและจะตะโกนสั่งว่านี่แนะ่พวกเจ้าทั้งหลายช่วยกันระวังหน่อย ชาวนาคนนั้นคิดเพลินไปจนลืมสนิทว่ายังมีคนอื่นอยู่ในสวนอีกก็เผลอตัวตะโกนออกมาจนสุดเสียงจนคนยามเฝ้าสวนได้ยินเข้าก็วิ่งออกมาจับชาวนาที่เป็นขโมยนั้นไว้ได้และตีเอาจนเจ็บสาหัสเรื่องนี้สอนว่าคนเผลอสติเหมือนฝันกลางวันคิดเป็นตุเป็นตาไป สติอยู่ที่ไหนกลับมาอยู่ที่ตัวเสียที